ยกกุติหลวงตาผมโตขึ้นมาก็เห็นกุติหลวงตาหลังเนี้ยอยู่ที่ตรงนี้แล้วตั้งแต่หลวงตาตั้งวัดนี้ท่านอยู่กุติมาสองหลังหลังแรกเป็นกุติเล็กๆ เ, เฉพาะองค์ท่านอยู่หลายปีซ่อมแซมสามครั้งจนกระทั่งหมดสภาพคณะสิทธิจึงสร้างกุติถวายหลวงตาให้ดูเหมาะสม หลวงตาใช้กุฏิหลังที่สองนี้เป็นเวลาหลายสิบปีจนถึงเดือนเมษายน2551จึงซ่อมแซมปรับปรุงใหญ่เริ่มตั้งแต่วันที่11เมษายนจนแล้วเสร็จให้หลวงตาเข้าจำวัดได้เมื่อวันที่28เมษายน2551รวมเป็นเวลา18วันเต็มผมเห็นผู้คนเข้ามาช่วยงานกันคนละเล็กคนละน้อยนับเป็นพันคนมาจากทั่วทุกสารทิศ ทำทั้งกลางวันและกลางคืนขณะร่วมกันทํางานเกิดมีคนรู้เท่าไม่ถึงการเอาดินจาก บ, บริเวณกุฏิหลวงตาตั้งใจจะเอาไปบูชาแต่เอาไปมากหน่อยกลางดึกคืนนั้นมีเทวดาในชุดขาว8ดองค์มาเข้าฝันต่อว่าเอาดินวัดมาทำไมให้เอาไปคืนเขาเฝ้าวัดนี้มาส0 0ร้อยกว่าปีแล้วเท่านั้นแหละรุงคืนต้องรีบเอามาคืนและมาขอขมาต่อเทพเทวดาทั้งหลาย